เวลาฝนจะตกมันคันเนียอันนี้ก็เหมือนกันนะฉนีมันก็ไม่มียาเหมือนกันเวลาฝนจะตกมันอาจจะคันขี้กาขี้เกลื่อนมันก็ไม่รู้นะมันก็เลยร้องพวกเราให้สังเกตดูถ้ามันร้องอย่างนี้นะบางทีอาจจะมีฝนอาจจะมีฝนมีลมแต่เมื่อเช้านี่ปล่อยๆนะหน่อยเดียว ฝนไม่มากเมื่อเช้าแต่ช่วงน้เป็นช่วงหน้าฝนแล้วเริ่มถ้าตามปกตินะแต่ปีนี้รู้สึกว่าแรงกว่าทุกปีที่หลวงพ่อมาอยู่ที่นี่นะปีนี้รู้สึกว่าแห้งแรงกว่าทุกปีเพราะน้าในสระน้ำ ม, นมันแห้งแต่ก่อนมันไม่เคยแห้งเลย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 ขี่วัวนะมาร่อนมาร่อนเอาไว้ทำทางนอกก่อนมาได้แล้วทข้างในจนให้ใครจนให้ใครเห็นน่นและก็ทอแล้วก็มาเก็บเก็บเต็แต่ละเม็ดละเม็ดนะจากนั้นก็ทำมาหูงหูงอาหารสำหรับคนห้าคนมีพ่อมีแม่แล้วก็มีลูก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 ออกจากไม้จากมือเลยพอทําเสร็จแล้วก็เข้าไปจยูข้างในน่ะทั้งลูกสามสี่คนหมุบมาหมุบมาแบ่งสันปันส่วนกันฮะเกําลังจะแบ่งกันตอนนี้พระประเจกอยู่ในดอยกันธมาศอยู่ในป่าหิมพาน์ท่านอยู่ในกลุ่มพระประเจกอีกเหมือนกันต่างพระประเจกต่างมากนลคือพระประเจกพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธจังศาสนาของพระพุทธเจ้า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 2,500 ปีในกลุงพุทธการถึง 5,000 ปีถ้าคนไม่มีไม่รู้จักพระพุทธศาสนาแล้วจากนั้นต่อไปพระประเจกจะอุบัติขึ้นในโลกจะอยู่ตามเป็นกลุ่มพระประเจกบารมีของพระประเจกจะอุบัติขึ้นในระหว่างถ้าว่าผู้ใดได้ทาบุญกับพระประเจกพุทธเจ้า ก, กับเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ทนี้วันนั้นพระประเจพุทธเจ้าท่านเข้านิโรธสมาบัต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 ไถนาตั้งที่จะตั้งจิตอธิษฐานทำบุญกับพรอปเจกพุทธเจ้าแล้วน่าจะตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าขอให้เป็นมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีน่าจะให้รวยที่สุดปัญญามันอยู่ในระดับไหนมันก็อยู่ในระดับนั้นเหมือนกันคนใช้คนไถนาคนทำงานสาธุน อ, อ, อ, อข้าพเจ้าไถนาแต่ละครั้งไถครั้งหนึ่งให้มันได้เจ็ดเจดอยเหมือ น, นให้ได้เจ็ดอย การไถานาพวกไถนามันเหนื่อยได้ใช่ไหมไถไปทีเดียวเนาะเจ้จับจับแต่คราวนี้ขอไถเดียวให้ได้เจ็ดลอยทุกวันนึงเนี่ยคงจะเป็นรถไถของเราเนี่ยมั้งไถไปทีเดียวได้เจ็ดลอยเลยนั่นี่ก็ตั้งจิตที่ฐานด้วยอนนันยสง์ที่ได้ทําบุญกับพระประเจเจ้าในคราวนี้ขอให้ข้าพเจ้าไถานาครั้งเดียวให้ได้เจ็ดลอยฮะได้เจ็ดคลองเหมือนกันแหละเจ็ดคองเจ็ดเจ็ดคลองไถานา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 พ่อบ้านสั่งพ่อบ้านหิวเต็มทนเห็นใจกันเหมือนกันยามทุกยากอย่างนั้นแต่นคนเมื่อไม่ทุกไม่ยากมันไม่เห็นใจกันได้ในเมื่อข้าวทุกยากอย่างนั้นมันเห็นใจกันได้สั่งอย่างไรก็ต้องไปตามนั้นแม่บ้านก็เลยไปไปตามที่พ่อบ้านสั่งทั้งที่ตัวเองก็รู้ว่าข้าวมันหมดแล้วก็เดินตุ่มเตียมเขาไปในครัวไปดูหม้อข้าวพ่อเปิดหม้อข้าวตรงนั้นโอ้โว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 ข้าวขอให้เต็มยุ่งเต็มช้างย่าให้อดให้หยาดแจกเท่าไรก็ยาให้หมดให้เสี่ยงมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นทั่วโลกมาก็แจกย่าให้หมดนะคือตั้งความปรารถนากับพระประเจกทำบุญเพราะการทำบุญคราวนี้เป่าเสี่ยงชีวิตเลยเหมือนกันตัดใจเลยในะทั้งที่ตัวเองจะได้กินก็ทําบุญทั้งหมดนะก็ว่าปรามัดปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาปรามัดกับข้า่าจ้า ชะละทั้งชีวิตเลยะในการทําบุญในครั้งนี้ที่พ่อเปรดเกมาโปรต์เอี่อทีนี้ก็พอแม่บ้านไปเปิดไปเห็นข้าวเต็มหมอ้อโอ้ยข้าวเต็มหมอ้อเลยอจากนั้นก็ยกมาเลยเรียกคนทั้งหกมากินเลยพอกินเสร็จแล้วก็อ้าวใครมาแจกขคนแจกเท่าไรก็ไม่หมดเลยทางผู้พ่อเนี่ยก็เอาแจก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 อเนกสงฆ์ที่ทําบุญกับพระประเจกพุทธเจ้าในครั้งนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือบุญบา ร, รมีที่พระประเจกออกจากนิโรธสมาบัติบุญกุศลมหาศาลถา้าใครได้ทํากับพระประเจกพุทธเจ้าตั้งความปรารถนาอย่างไรความปรารถนานั้นจะสําเร็จสมความมุ่ง ม, มา่นปรารถนาถ้าวว่าพระมรหัน์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 สวยวิมุตติสุขในนิพพานพระรหันจะเข้านิโรธสมาบัติได้มีพระรหันอยู่สามจำพวกสุขวิปัสสโกหนึ่งเข้าไม่ได้เพียงจะรู้ว่าตัวเองสําเร็จเป็นพระรหันสุขาวิปุวิปัสสโกเตวิชโชสละพิญโยปฏิสัมพิทัพปัตโตนพระรหันสามจำพวกเน่เข้านิโรธสมาบัติได้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 อ่าขยับรถขับรถนะแต่รถคันนั้นน่ะมันหิวนี่ยแต่นี่น้ำมันมันก็พองเพราะมันติดจอดอยู่ชึงชึ้งชึ้งชึ้งชชึงชึงอยู่เครื่องไม่ดับใช่ไหอแต่ว่าตัวเองเจ้าของโจเฟอร์เนี่ยเข้าสู่วิมุติสุขไปเที่ยวอไปชมตลาดลักษณะอย่างนั้นแหละอทางว่าเปรียบเทียบนะแต่ในขั้นเข้าสู่วิมุติสุขของท่าน